พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่รอบรอบเบียด ม, มาถึงซึ่งวันที่พระเจ้าของเราได้ทรงประสูตรแล้วก็ตัดสลูแล้วก็เสด็จทับขันปรินิพานซึ่งพระองค์ตัดสลูในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทยัยนิโรธและก็มรรคเราก็มีความศรัทธาว่าพระเจ้านั้นพระองค์เป็นสภพพสยัมผู้ผู้รู้เอง ตัดสรุชอบได้โดยพระองค์เองและไม่มีใครที่จะตัดสรุได้อย่างนี้นะเมื่อพระองค์ตัดสรุปแล้วสวยมิมุติสุขอยู่ถึง49วันองค์ก็ยังมีพระมหากุณาธิคุณที่จะเดินทางไปด้วยพระบาทไปสอนพระปัญจพคีให้รู้ธรรมเห็นธรบรรลุธรรมตามพระองค์ที่พระองค์ได้บรรลุแล้วนี่พระ เ, เจ้าเนี่ยพระองค์ตัดสรุปในอริยสัจสี่คือทุก นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่เราได้สววูตรปทุกนั่นะคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจปัทนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ก็เป็นทุกพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกนะการเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกรวมความแล้วอุปทานขันทั้ง5นะ้าเป็นตัวทุกข์ขึ้นมาแลนะทุกข์นี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมีเหตุ แล้วก็คือมีตัณหาอาวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เป็นเหตุให้ทุกเกิดนะเหมือนกับว่ามีไม้หรือก้อนหินสักห้ากิโลถ้าเราไปยกก้อนหินขึ้นมาเราจะรู้สึกหนั ก, จ ะ, ก, นกจะรู้สึกหนักขึ้นมาได้อุปาทานก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามก็จะรู้สึกหนักและเป็นทุกข์ขึ้นมาได้นะ เหตุที่เกิดทุกนี้ก็คือตัวอุปท า, านตัณหาอุปท า, านนี้เองปรุจา ก, ก็ส่งคนพบนว่าทุกทั้งหลายที่เราได้รับกันอยู่เนี่ยเกิดจากตัณหาอุปท า, านนี้ถ้าไม่มีตัณหาไม่มีอุปท า, านก็ทุกก็ไม่มีนั่ทุกก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่ครั้นี้เมื่อมีตัณหาอุปท า, านแล้วเราต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์นัที่ธรรมนิโรธสัตว์นันคือความจางคายไป เาะความไม่มีเหลือของกิเลสตัณหาทั้งหลายนะจิตของเราปล่อยวางคือไม่ให้กิเลสมาเกาะอยู่ในใจได้ใจนั้นเมื่อไม่มีกิเลสก็จะไม่มีทุกข์ไม่มีตัณหาจะไม่มีทุกข์แต่ตัณหานี้นะเป็นสิ่งที่เราควรจะละทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้แล้วก็กําหนดรู้ได้แล้วตัณหาเป็นสิ่งที่ควรจะต้องละนะพระพุทธเจากก้าก็ละได้แล้ว นิพพานนั้นหรือนิโรธสัตวเป็นสิ่งที่ขวรทํำให้แจ้งพุทธเจ้าก็ทําให้แจ้งได้แล้วมักมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาวันนิโรธครบันิปฏิปทาเนี่ยปฏิปทาที่จะทําจิตที่เรานั้นให้พ้นทุกพระองค์ก็ทรงดําเนินได้หมดแล้วก็ยังสอนเราต่อไปว่าทางที่จะพ้นทุกนั้นก็ต้องปฏิบัติในอริยมักมีกมองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา นะสินสํบูรมไก่วาจาศิน5ศาสินแปดสศนสิี่สิบเ น, น, นะเราก็รักษากันอยู่แล้วคราวนี้ในเรื่องของสมาธิความตั้งใจมัน่นนะก็ให้เราเข้าใจว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันไม่มันไม่ตั้งมัน่นนะถ้าใจของเราไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธินิวรณ์ก็คือกรรมปันญออวิบาติินมิทะอุทะจักขู่กัจวิเจกิจชาก็ครอบงำเจิตใจได้ กิเลสก็เกิดขึ้นมาได้นั่นเองถ้าใจของเรามีความตั้งมั่นดีมีสติและระมัดระวังรู้อารมณ์ที่เข้ามาต่งต า, างๆหัจมกนลิ้นกายใจแล้วก็พิจารณาไม่ให้จิตของเราไปยินดีหรือยิลร้ายเมื่อจิตเราไม่ยินดีไม่ยินลร้ายตรงนี้จึงเป็นทางปฏิบัติที่เราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายคือเราจะเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริง นั่นในรูปในนามว่าถ้าเราไปยึดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์มานั้นการปฏิบัติตรงนี้แนหะถ้าปฏิบัติตามอริยมรคมีองค์แดนี่เองฉะนั้นหลายสำนักหลายอาจารย์ก็ดีที่ก็จะสอนก็อยู่ในอริยมรคมีองค์แนี้ไม่หนีจากนี่ละถ้าปฏิบัติตามในอริยมรคมีองค์แปพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราจะได้เห็นธรรมรรลุธรรมแน่นอนเพราะเมื่อในคืนสุดท้ายราตีสุดท้ายที่จะพระ อ, องค์จะปฏิบัตานนั้นนานสุภทธาปฏิปปชก ก็อสอบถามว่าสมณะที่หนึ่งที่2องมสเนี่ยนะนะมีอยู่นอกศาสนามีไหมพระเจ้าบอกไม่มีสมณะที่หนึ่งที่2ที่สที่4นี้หรือมรรคผลนิพพานก็มีอยู่ใน พ, ะพระพุทธศาสนาเท่านั้นท่านสมพัตก็ไม่สงสัยพิจารณาเห็นเมฆหมอกที่มันบดบังดวงจันทร์เมื่อลอยไปแล้วดวงจันทร์ก็ใสเหมือนเดิมอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกับเมฆหมอกนี้ ท่านพิจารณาในสุดก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนนั่นเองเป็นปัจจีมภาษาวกที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าเป็นรูปสุดท้ายองค์สุดท้ายอันนี้นก็คือเป็นจิตตารุ ป, ปสนาสติปฐานธรนรามารุปสนาสติปฐานก็บรรลุได้ถ้าบรมีเต็มแต่เมื่อเรากําลังปฏิบัติอยู่ในเบื้องต้นเมื่อเรามาดูจิตจิต ด, ดูแล้วเราท่านเราละ ก, กิเลสได้ก็ดูจิตอย่างเดียวได้แต่ถ้าจิตของเรานะั้นดูแล้วมันยังละไม่ได้ก็มาดูกาย นั่นดูเวทนาอยู่ในสติประธานสูตรนี่เองฐานที่ตั้งมั่นของสติอันเป็นทางที่จะทาให้เราได้พ้นทุกได้นะอยู่ตรงนี้ก็ขอให้เราพยายามภาคเพียรและปฏิบัติโูชาลสมเด็จพระสัสดาพระสมมาสามุริเจ้าของเราเนื่องในวันมิสากาศที่จะมาถึงครบรอบในวันพรุ่งนี้นั่นเองที่พระองค์ทรงประสูตรตัดสรู้แล ะ, สะเสด็จ ด, ดับขันบริญญิพาน ซึ่งนานักนานหนาทีเดียวนักกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะได้มาประสูตตรัสรู้แสดงธรรมรับปริญญานี่นะเราจะได้มารู้ทำคําสอนอย่างนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเรามีโอกาสดีแล้วที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็มีโอกาสดได้ปฏิบัติอยมีอายุยืนยาวอยู่ในปัจจุบันยังไม่โรคในปัจจุบันนี้ มีพายุมีแผ่นดินไหวมีไฟไหม้ต่างๆเสียชีวิตกันเป็นมากมายทีเดียวเนี่ยแต่เรายังมีชีวิตนยกจนถึงปัจจุบันเราก็ไม่ประมาทและพยายามสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลทั้งแม้ว่าเราจะมีกิจการงานมากมายแต่การปฏิบัติทางจิตพัฒนาทางจิตเราต้องทําควบคู่ไปด้วยปฏิบัติไปด้วยให้มีสติมีคำบริกรรมำบวนากํากับใจของเราไว้เพื่อให้เรามีสติกํากับ จิตใจของเราไว้นั่นเองนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยิ่งในวันที่เราบรรยุดมีโอกาสได้มาถือศีลปฏิบัติอย่างนี้ก็มีโอกาสเวลาที่เราจะได้ทำเต็มที่ทีเดียวนะก็ขอให้ตั้งใจและเจริญธรรมต้องการ ท, ทุกท่านเถิด